ไม่ใช่วิธีการเรียนที่ถูกต้องเพราะไม่ทำให้เกิดความรู้อย่างแท้จริงและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระองค์สอบตกพุทธศักราชสองส่ร่งเรียนซ้ำประโยคสีอีกครั้งและส่งเตรียมสอบนักธรรมชั้นเอกด้วยและในปีนี้ส่งเลิกวิธีการเรียนแบบเก่งข้อสอบ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 พระคุณสมเด็จได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดเทวสังคารามเมื่อวัน <ederim>. ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2476โดยพระครูอดุลยสมณกิจหลวงพ่อวัดเหนือเป็นพระอุปปชฌาพระครูนิวิสมาจาร์หลวงพ่อวัดหนองบัวเป็นพระกรรมวาจาจาร์พระปหลัดรุ่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอเป็นพระอนุสาวนาจารย์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 เมื่อวันที่15กุมภาพัน์พุทธศักราช2476สกศกเดียวกันสมัยนั้นขึ้นพุทธศักราชใหม่เดือนเมษายนฉะนั้นเดือนมิถุนายนจึงเป็นต้นปีเดือนกุมภาพัน์เป็นปลายปีโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระยานวงศ์ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวชิระยานวงศ์ทรงเป็นพระอุปชัชฌาย์